สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเลขากรคนชอบเหล้าคลิปนี้เราก็มาเข้าป่ากกันนะครับไปกับเรื่องราวจากท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามกันต่อเป็นเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่เป็นสายลับออหลอเล่นนะครับเอาเป็นว่าพวกเราตามไปฟังกันเลยดีกว่าครับและสายลับก็ถ่ายทอดข้อมูลให้ฟังว่าสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ปูก่กองผมได้บันทึกไว้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าไม่ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2490 ในตอนนั้นเวลานั้นมีพรานอยู่สองคนทั้งคู่เก่งในเรื่องเวทมนต์คาถาซึ่งถือได้ว่าเก่งกาศกันมากและพรานทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมีนามว่าพรานกันกับพรานพลึกซึ่งวิชาของทั้งสองพรานนี้ก็จะมีการเรียนผูกและเรียนแก้มาด้วยกันทั้งสคนและพรานหนึ่งในสองคนผู้เก่งกาศที่กล่าวถึงนี้หนึ่งในนั้นที่มีนามว่ากันก็คือป in right? ู่ของผมเองที่ว่าทั mm ้งสองพรานนี้เรียนผูกและเรียนแก้มาด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ใช่ว่าจะเหมือนกันซะทั้งหมด เพราะว่าจะมีอยู่หนึ่งวิชาติดตัวของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและด้วยความสนิทกันทั้งสองพรายก็ออกป่าล่าสัตว์ด้วยกันอยู่เป็นประจำจนเมื่อมาถึงหนึนวันหนึ่งพรายพลึกเพื่อนของปู่ขออนุญาตเรียกว่าปู่พฤึกนะครับแกก็ได้รับลูกศิษย์มาหนึ่งคนนํามาอบรมสั่งสอนวิชาให้มีชื่อว่าเลิศซึ่งเลิศลูกศิษย์ที่ปู่พฤึกรับมาเพื่อแต่ทอดวิชาให้นี้พื้นเพและชาตาชีวิตของเขานั้นเขาคือคนที่โดนรังแกมาตลอด ซึ่งเมื่อปูป่พฤกษ์เห็นแล้วให้เป็นที่น่าสังเวชเลยเกิดความเมตตาสงสารจึงได้คิดสอนมนุ์ให้เพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวและทำมาหากินซึ่งปรารถนาดีของอาจารย์หาส่งถึงจิตของสิทธิ์ไม่ด้วยใจที่ขับแขนแน่นในอกจากการที่เขาโดนรังแกมาตลอดจึงทําไม่เลิกแต่เรียนรู้ได้เพียงสายดำเพียงอย่างเดียวมีจิตที่หมกมุ่นครับแขนยังผลให้เขานั้นจดจํามนุ์ของสายดำได้ดีอีกด้วยทั้งยังสามารถนํามนต์แต่ละบทมาดัดแปลงจนเกิดเป็นมนต์บทใหม่ๆขึ้นมาได้ ซึ่งปู่ของผมจะเรียกมนอย่างนี้ว่ามนนอกข้อหรือนอกครูจนเมื่อวันหนึ่งสองพรานกับหนึ่งสิทธ์ได้ขึ้นเขาไปล่าสัตว์กันและการขึ้นเขาไปล่าสัตว์ครั้งนี้ก็ได้นําหมาขึ้นไปด้วย2ตัวคิดว่าน่าจะนําไปช่วยตามซากเหยื่อที่รอดไปตายที่อื่นเพราะในบันทึกไม่ได้ระบุไว้และเมื่อทั้งสองพรานกับ1นสิทธ์ได้เดินเข้าไปในป่าจนได้ระยะดีแล้วเลือกทําเลที่พอเหมาะได้กันแล้วจากนั้นจึงได้หาค่าคบที่เหมาะสมและทําห้างกันขึ้นมาสองห้าง โดยแยกกันอยู่คนละจุดคนละต้นแยกกันนั่งโดยปู่กันของผมจะอยู่คนเดียวห้างหนึ่งกับหมาสองตัวที่นํามาด้วยอยู่ใต้ห้างซึ่งพวกมันนั้นก็จะขุดหลุมลงไปนอนกันเองส่วนปู่พลกไปนั่งอีกห้างนึงกับสิทธิเลิศและการเข้าป่านั่งห้างในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของเจเลิศลูกศิษย์ปู่พลกเมื่อกินอาหารกันเรียบร้อยและได้เวลาก็ต่างแยกย้ายกันไปนั่งห้างใครห้างมันเมื่อทั้งหมดขึ้นห้างกันได้เรียบร้อยก็ต่างนั่งกันเงียบ ใช้สมาธิอยู่กับความเงียบและความมืดของ พ, งพุงไพรเพื่อรอเฝ้าเหยียบชะตาขาด ท, ที่จะเดินมาเวลาก็ล่วงผ่านไปเรื่อยๆอากาศก็กกค่อยๆเย็นลงช่วงหัวข้าเสียงรีตรรรนึ่รไร้ก็ยังดังระงมและเมื่อเวลาล่วงไปจนตกดึกบรรยากาศของป่ารอบกายก็ค่อยๆเงียบวังเวงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพรานผู้เจนป่าอย่างปู่กับปู่พฤกแต่สำหรับเจ้าเลิศไม่รู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงผ่านไปกับความเงียบ โดยที่ยังไม่มีสิ่งสัตว์ใดเขา้ามากรามไกลและระหว่างที่ปู่กันบังนั่งนิ่งเงียบอยู่นั้นพรันปูของปู่ก็ได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งดังขึ้นสุดสุดสุดเป็นสิ่งคล้ายกับว่ามีคนกําลังเดินมาทางข้างที่ปู่นั่งอยู่ปู่นิ่งเงียบเงียบหูฟังพร้อมกันนั้นก็เพ่งสายตาลงมองไปดูตามเสียงที่ดังมาด้วยสายตาที่ชินกับความมืดกับแสงจันทร์ทําให้ปู่พอจะมองเห็นอะไรได้แม้จะไม่ชัดนัก สิ่งเดินก็ยังคงเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเงาตะคุ่มที่มองเห็นลางๆย่างเท้าใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะและก็ทุกขณะที่สําคัญมาจากทางห้างที่ปูพ่พฤกนั่งอยู่ด้วยจนมีสิ่งห ด, ดังขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยลงมาเร็วตอนนี้กําลังมีอันตรายเกิดขึ้นที่ห้างนั้นเจ้าของเสียงหรือเงาตะคุ่มที่เดินมานั้นแท้จริงก็คือโจลเลอร์ น, นั่นเองมาบอกว่าปูพ่พฤกเพื่อนของปูก่กำลังตกอยู่ในอันตรายพอปู่ได้ฟังก็งไม่ได้ตอบแต่ประการใดยังคงนั่งนิ่งเงียบ ปู่นิ่งใช้สมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติจนมาสองตัวข้างล่างทําไมมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยซึ่งร่างของเจ้าเล่สดิดปลู่พลิกก็ยังคงยืนเรียกอยู่ใต้ห้างเร็วๆช่วยด้วยช่วยด้วยปู่นั่งนิ่งไม่ตอบประการใดเร็วมันจะมาแล้วและในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีเสือดําตัวนึ่งกับหมาดําตัวใหญ่พากันก้าวเดินออกมาจากมุมมืดและไปยืนอยู่ข้างเจ้าเล่สดู เจ้าเสือดำคำรามเสียงดังจนเจ้าหมาทั้งสองตัวที่อยู่ใต้ห้างครางหงิงๆิงอยู่ในหลุมมันบ้าแล้วเจ้าเลิศร้องและทันเดินนั้นเองสิ่งเจ้าเลิศก็เปลี่ยไปช่วยด้วยกวันโวยช่วยกูด้วยปู่อื้งแล้วก็งงนั่นมันเสียงปูพ่พลกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยจากนั้นก็เห็นเลิศเดินตรงไปที่หลุมของหมาแล้วก็เอามือหลวงจับหมาทั้งสองตัวนั้นขึ้นมาจากหลุมน่าแปลกมากที่เจ้าหมาทั้งสองตัวไม่มีอาการต่อสู้เลย มันทั้งสองตัวได้แต่ตัวสั่นเ ง, งินงกร้องหงองๆยด้วยความกลัวไม่เห่าไม่สู้ปล่อยให้เจเลิอดหิ้วไปแล้วเจเลิดก็หิ้วหมาทั้งสองตัวไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าเจ้าเสือดํากับหมาดําตัวใหญ่นั้นแล้วก็ทําท่าเหมือนกับท่องมนบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างพอบริกรรมเสร็จก็เดินนาหน้าเสือกับหมาดําหายไปปู่ได้แต่นั่งเงียบใช้สมาธิใคร่ครวญว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นห่วงเพื่อนก็เป็นห่วงเพื่อนแต่การจะให้ลงจากห้างตอนนี้เห็นว่าไม่เป็นเรื่องดีแน่นอน ปู่ไม่นอนได้แต่นั่งรอเวลาจนกว่าพระอาทิตจะขึ้นและเมื่อตะวันขึ้นรุ่งอรุณมาถึงปู่รีบลงจากห้างและเดินไปที่ห้างของปู่เพลิกรีบจำไปด้วยความร้อนใจเมื่อคืนไม่เกิดอะไรขึ้นและตอนนี้เพื่อนจะเป็นยังไงบ้างไม่เดินไปถึงใต้ห้างพลิกโว้ยเป็นไงบ้างวะเพื่อนเงียบไม่มีเสียงตอบใดๆลงมาปู่รีบปีนขึ้นไปบนห้างทันทีและเมื่อขึ้นไปถึงก็ต้องตะลึงไม่เห็นปู่พลิกนอนระหวยร่่ยแรงอยู่ และที่ข้อมือขวาของปูพ่พฤกนั้นเกิดแบบแผลชะกันขึ้นเหมือนโดนตัดด้วยของมีคมจนขาดไปเห็นอาการเพื่อนไม่ดีเสียเลือดมากปู่จึงรีบนําเพื่อนลงมาแบกขึ้นหลังและพาเดินลงเขากลับหมู่บ้า น, นทันทีจนเมื่อเวลาผ่านไปสองวันเจ้าเลิศก็ยังไม่มาดูครูของมันที่มีอาการบาดเจ็บหนักจนปูพ่พฤกอาการค่อยดีขึ้นได้สติพูดคุยกันได้แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ปู่ฟังว่าวันนั้นกูกับเลิศนั่งอยู่บนห้าง ปามันเงียบลมมันก็เย็นกูก็เลยงียบหลับไปมาสะดุ้งตื่นอีกทีก็ไอ้เลิศปลุกนั่นแหละครูครูมองดูที่ห้างของลูกกันสิไอ้เลิศบอกกูกระีบมองตามไปก็เห็นเสือกับหมาดาว่าแต่ที่กูงงก็คือทําไมหมาดามันตัวใหญ่กว่าเสือแถมตาของมันก็เป็นสีแดงซะด้วยกูว่าไม่ปกติซะแล้วแหละได้จากที่เป็นคืนเดือนงายเพ่งมองไปก็เห็นว่ามึงน่ะกำลังโดนมันขาบอยู่กูเลยตกใจจะรีบไปช่วยมึงแต่ไอ้เลิศมันบอกว่าผมจะไปเอง ขอยืมมีดหมอของครูหน่อยกูก็ไม่ทันคิดมัวแต่ห่วงมึงนะ่ะก็เลยให้มันยืมไปซึ่งมีดหมอเล่มนั้นเป็นของอาจารย์ของปู่ผมกับปู่เพลิกที่ท่านให้ไว้แต่ก่อนที่ปู่เพลิกจะทันรู้ตัวแกก็โดนมีดหมอเล่มนั้นจี้เข้าที่หน้าผากตัวเองแล้วสิทธเลิศก็เริ่มบริกรรมคาถาซึ่งปู่เพลิกได้ฟังแล้วคาถามันเหมือนกับมี3บทมารวมกันแต่มีบางคําที่หายไปบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําอื่นแกทําอะไรไม่ได้อึง้งเหมือนโดนสะกดจนแกได้ยินสิ่งเจ้าเลิศพูดกับแกว่า ไปเตือนคนในหมู่บ้านให้ระวังตัวด้วยผมผมขอโทษครับผมมันพูดจบจเจริเยก็เปลี่ยนสีหน้ากลายเป็นคนที่ไม่มีแววตาทันเทแล้วก็ยังพูดต่ออีกว่ากูกินมาแล้วสิทธ์มึงและต่อไปก็เมือนนั่นแหละผ่า <laughs> อมันพูดจบก็ตัดข้อมือของแกทันเทแกเล่าให้ฟังทางน้ำตาแล้วปูพ่พลิก็ยังพูดต่ออีกว่ามือขวาของกูที่โดนตัดไปคือมือสะกดพูดผี แล้วมีดอาคมจะใช่ได้ดีถ้าหากว่ามีแต่กรุดที่อยู่ในมือขางนั้นมันสะกดมึงได้ยังไงปู่ถามแล้วมันก็ไม่น่าจะตัดมือมึงได้ปู่เพลิก็ตอบว่าถ้ามึงยังจําได้อาจารย์บอกพวกเราว่าเมื่อไรที่มือหรือกูตกอยู่ในอันตรายของสิ่งหนึ่งที่มึงกับกูได้มาคนละอย่างจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนั่นแหละที่ทําให้กูเอาอาคมสะกดพูดผีเป่าลงไปไว้ในมีดและมือของกูมึงจงตามมีดเหลี่มนั้นไปเพราะในมือกู มีตะกรุดที่แยกส่วนมาจากโลหะจากมีดหมอและคาถากํากับจะแยกกันแต่พอกูอนุญาตให้ไอเลิศมันใช้คาถาที่กูกํากับก็จะไปอยู่ได้มีดเล่มนั้นซึ่งตะกรุดในมือก็จะมีมิิตอะไรเลยและที่มึงไม่สามารถมาช่วยกูได้ทันเพราะไอเลิศมันถือมีดไว้เพราะกูถอจิตไปขอความช่วยเหลือจากมึงมึงก็เลยมองเห็นกูเป็นไอเลิศไงแต่ไอเลิศมันก็ไม่สามารถลงไปจากห่างได้มันก็เลยต้องตัดมือกูและก็ใช้มือกูถือมีดไป ไปไปตามหามันไว้เพื่อนแล้วก็เอาของที่อาจารย์ให้มึงมาดึงเอาดวงจิตของกูที่อยู่ในมือกลับมาด้วยเพราะตอนนี้มันกินกูหมดแล้วไอ้เลิศไอ้เลิศลูกศิษย์กูมันเป็นปอบมันโดนปอบแฝงกินเป็นปอบที่เก่งมนดวงจิตที่คับแขนและถูกเริงแกลของมันทําให้ดวงวิญญาณของมันบัดนี้โดนครอบงั้งจนกลายเป็นอสูรไปแล้วและก่อนหน้านี้ตัวมันก็ยังเคยไปเรียนมนต์สมิงกับเ่าอําคาด้วย จนมันรดารู้วิชาหัวใจสมิงปูป่พฤกอธิบายแล้ววันต่อมาโดยไม่คาดคิดปู่พฤิกก็ตายลงจากนั้นต่อมาก็เท่าอำคากับคนในหมู่บ้านอีกหลายคนค่อยๆทยอยตายจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านซึ่งปู่ก็รู้ว่าคนกลัวอะไรแต่ไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึง่งว่าปอบมันมาจากไหนไอีเลิศมีจิตคับแขนก็จริงแต่ว่าอยู่ๆจะให้มันเป็นปอบเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันปุ๊บปั๊บเกินไปมันต้องมีอะไรบางอย่างมาประกอบด้วยแน่นอน ปู่นึกถึงคำสั่งเสียของเพื่อนจึงได้หยิบอ้อสร้อยประคำของแกออกมาบริกรรมคาถาเพื่อกำกับและเพิ่มฤทธานุภาพให้แน่นอนนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ตั้งใจจะไปตามเอามีดหมอและมือกองเพื่อนกลับมาให้ได้และปู่ก็ไม่ต้องร อ, อนานคืนนั้นนั่นเองไอเลิศก็มาไอเลิศมันมาหาปู่ถึงที่หน้าบ้านมันมาเอ่ยปากขอประคำซึ่งแน่นอนปู่ไม่ให้มันได้แต่ยืนตาแดงอยู่นอกรั้วไม่ย่างเทา้าย่างกรายเข้ามาในบ้านและมันก็ยิงบอกอีกว่า หมาสองตัวนั้นอร่อยมากมีอีกไหมวะและไอ้เขตอาคมกระจอกกระจอกเนี่ยเอากูไม่อยู่หรอกแต่ถ้ามืองแน่จริงอยากได้มีดและมือคืนแล้วก็คืนพรุ่งนี้ก็ไปเจอกูที่เขาหินเหล็กไฟได้นะว่าแต่จะกล้าไปหรือเปล่ามันบอกปู่ก่อนที่มันจะไปที่ปู่ยังไม่สู้กับมันในทันทีที่เจอก็เพราะว่า คิดว่ามันน่าจะมีอะไรดีแน่นอนไม่ควรประมาทเอาไว้คืนพรุ่งนี้ไปเจอมันตามนัดก็ได้พอรุ่งเช้าปู่ก็เดินทางไปบ้านของสเปรย์ยวนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็ถามแกว่าต้องทํำยังไงจะยวนแกก็บอกว่าดํากับขาวมันต่างกันแค่คําพูดนะถ้าเราจะทําให้ดําเป็นขาวคงไม่ได้แต่ก่อนที่มันจะดามันก็น่าจะขาวมาก่อนแหละปู่ไี่ฟังก็พยายามคิดตามใช่ไอ้เล็กก็น่าจะยังคงมีจิตมนุษย์ที่ดีอยู่บ้าง เพีแต่ว่าจะหาวิธีการใดดึงมันกลับคืนมาและจะทําได้หรือไม่และจะเป็นที่เขาหินเลขไฟการต่อสู้กับมันต้องยากแน่นอนแต่ยังไงก็ต้องลองขิดได้ดังนั้นกําลังใจต้องมาก่อนปู่จึงตัดสินใจไปนําเอาดินใต้รองเท้าของแม่มาแช่ใส่น้ําขวดติดตัวไปด้วยแล้วก็ขอให้ต่ ย, ยวนไปหาขี่พึ่งปิดปากผีที่จมน้ําตายกับข้าวแห้งก้นบาทแล้วก็ได้จุงผีมาให้แล้วแกก็เอาทั้งหมดที่ได้มานํามาผสมกันบรรจงปั้นเป็นรูปเสือขึ้นมา แล้วก็นำอเม็ดลูกประคำมาใส่ในตัวเสือ10จุดตา2ขาสหาง1หูอีก2และย้ำเข้าที่หัวใจอีก1เม็ดปู่ทำการปลุกเสกกลางแจ้งอัญเชิญเทวดาประจำวันทั้ง7มาเป็นหัวใจแล้วแกก็ตัดผมเล็บขนทิ้งไว้ที่บ้านจากนั้นแกก็กรีบเดินทางมุ่งตรงไปที่เขาหินเลขไฟทันทีสถานที่ที่แกกำลังเดินทางไปนี้นับได้ว่า พรานที่ว่าเก่งๆก็ยังเคยไปสึงเวชชีวิตมาแล้วไม่รู้ว่ากี่คนต่อกี่คนซึ่งปู่แกก็รู้ดีแต่ถ้าแกไม่ไปคนในหมู่บ้านก็คงไม่เหลือแล้วคําสั่งเสียของเพื่อนก็จะไม่สําเร็จด้วยหลังจากที่ใช้เวลานานพอควรในการเดินทางมาและที่สุดก็มาถึงจนได้แต่พอจะก้าวเข้าไปในเขตเขาหินเลขไฟก็ปรากฏว่ามีเสียงมืกระซิบที่ข้างหูว่าโยมเอาเรียที่อยู่ใต้จีวรอัตมาติดตัวไปด้วยซีอยู่ที่ใต้เท้าโยมนี่แหละ ปูหันซ้ายหันขวามองก็ไม่มีใครและสิ่งนั้นมาจากไหนกันนะจึงลองก้มดูที่ใต้เท้าของตนปรากฏว่ามีเศษ จ, จีวร อ, อยู่จริงก็เลยลองหยิบขึ้นมาดูทําให้รู้ว่าจีวร น, นั้นหุ้มอะไรบางอย่างอยู่ข้างในเมื่อแกะออกดูจึงได้รู้ว่าภายในจีวร น, นั้นมีไม้สีดําสนิทท่อนหนึ่งไม่ใหญ่มากถือกําลังพอดีมือซึ่งผูกติดไว้กับจีวรด้านหนึ่งและที่ประหลาดก็คือมีเหรียญเงินหนึ่งเหรียญถูกตีฝังไว้ในเนื้อไม้ท่อนไม้ก็มีน้ําหนักพอดู เนดังนั้นแล้วปู่จึงได้พยายามแกะเอาเหรียญออกมาจากเนื้อไม้แต่ไม่ว่าปู่จะใช้วิธีการอะไรจะใช้อะไรทุบหรือเอามีดฟันก็กลับไม่เป็นผลใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่แตกนั้นกลับกลายเป็นวัตถุที่ไปกระทบกับไม้นั่นเองจนในที่สุดปู่ก็เลิกล้มคําคิดที่จะแกะเอาเหรียญ น, นั้นออกจากนั้นก็นั่งพักเหนื่อยหลับตานิ่งรวบรวมสมาธิอีกครั้งเพื่อจะขึ้นไปสู้กับเจ้าผีปอกนึกทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาซึ่งเร็วมาก นั่งหลับตาคิดไปคิดมาก็มีอาการเหมือนกนาลังตกอยู่ในภวังและขณะนั้นเองในนิมิตแกก็เห็นพระรูปหนึ่งกบบาลังเดินเข้ามาเดินเข้ามาหาแกเรื่อยๆเมื่อเดินมาถึงก็หยุดยืนสงบอยู่ตรงหน้าปู่แล้วก็เอ่ยวาจาว่าอย่าตกใจไปเลยโยมอาตมาน่ะรอเวลานี้มานานแล้วเสียงที่โยมได้ยินกับเปรียนที่อยู่ในไม้กับจีวรเป็นของอาตมาเองปู่ได้แต่นิ่งอึง้งนั่งฟังเฉย แล้วพระผู้ลึกลับรูปนั้นก็อธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังต่อไปท่านว่ามนุษย์ถ้าเกิดความโลภขึ้นในใจต่อให้ปฏิบัติตนดีแค่ไหนสุดท้ายก็หลงแม่อตมาเองก็คือผู้ที่หลงพญาไม้งี้วดำมันไม่ควรตกมาอยู่กับอตมาอตมาไปไหนไม่ได้เพราะจิตที่ยึดติดเป็นแด่เพียงวิญญาณบาปที่ราการปลดปลอ่อยอตมาทำผิดมหัน อาตมาทำบาปสังหารอาจารย์ตัวเองด้วยจิตคิดชั่วอยากครอบครองพยางยิ้วดำกับเหรียญศักดิ์สิทธิ์นั้นซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้จองจำเจ้าผีปอบวิญญาณร้ายที่โยมกำลังตามหาได้ซึ่งผลของการที่อาตมาทำชั่วอย่างนั้นหลังจากที่สะกดเจ้าผีปอบแล้วอาตมาก็หลงมือสังหารอาจารย์ตนเองเพียงเพื่ออยากจะได้ครอบครองของที่ปรารถนา อัตมาก็ไดยิบพยานงิ้วดำกับเหรียญมาอยู่ในมือแล้วหมายจะนําลงเขากลับไปแต่ฟ้าดินไม่ยอมพลันสายอัศนีก็ฟาดลงมาที่รางของอัตมาจนไม่เป็นจุนหลงเหลือเพียงจีวรกับเหรียญที่ฝังอยู่กับพยาไม้งิ้วดำกับวิญญาณบาปของอัตมาที่โยมกําลังได้พบเจอนี่แหละและวิญญาณบาปของอัตมาก็ถูกจองจําอยู่ณภูเขาแห่งนี้เฉกเช่น เ, เดียวกับเจ้าผีปอบร้ายก็นับภาษาสมดีนะโยม ผีปอบไร้ายกับัตมาโดนจองจำอยู่ในที่เดียวกันแต่เมื่อการเวลาผันผ่านไปจนเมื่อไม่นานมานี้พลังจิตที่แค้นเคืองและโหยหาอิสรภาพของเจ้าผีปอบร้ายมันก็กลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะมันได้รับพลังจิตของมนุษย์ที่มีจิตโกรธแค้นเก็บกดที่มันสามารถสื่อถึงและสัมผัสได้ทําไมมันสามารถแยกจิตส่วนหนึ่งออกไปแฝงร่างของสิทธิ์เพื่อนโยมได้ อีกทั้งเพื่อนโยมกับสิทธิที่ถูกมันกินไปก็เป็นผู้ที่มีวิชากล้าแข็งมันซึมซับและดูดพลังผู้ที่มันกินได้แต่ก็ยังไม่พอที่มันจะหลุดจากที่จองจำนี้มันจึงได้หลอกล่อโยมให้มาที่นี่เพราะหากว่ามันได้กินโยมอีกคนหนึ่งมันก็จะสามารถหลุดจากการสะกดได้พระโยมนั้นก็เป็นคนที่มีวิชาดีติดตัวมากกว่าพลังจากโยมเพียงอีกคนเดียวที่มันต้องการแล้วก็พลังของโยมอีกนั่นแหละที่อาตมาก็ต้องการ จะได้อาศัยใช้สะกดจ้ผีร้ายตลอดไปโยมจงนําเหรียญกับพญาไม้งิ้วดํานี้กลับไปสะกดมันนะพระเลืกร拉บกล่าบเพียงเท่านี้ก็หายไปจากนั้นปูก่แกก็รู้สึกตัวได้สติขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อลืมตาขึ้นบรรยากาศรอบกายมันก็มืดลงแล้วแกจึงรีบจุดตะเกียงแล้วก็ทําพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาและเอาน้ําที่แช่ดินใต้รองเท้าของแม่เทลงที่พื้นบอกแม่ธรณีให้ช่วยนําทางลูกด้วยแล้วก็ก้าวเดินเข้าไปในเขาอัฐานลูกนั้น ยิ่งเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปมินจ์ากาศรอบกายก็ยิ่งเงียบและยิ่งเงียบยิ่งลึกยิ่งไร้เสียงสรรพสัตว์ให้ได้ยินแกเดินเข้าไปพยายามทําใจให้นิ่งจะต้องไม่วกแวกตกใจอะไรง่ายๆจนแกเดินมาถึงบ่อหนาบ่อหนึง่งเป็นบ่อ้ําที่แห้งและลึกจนมองไม่เห็นก้นบ่อแกจินเชงโงกมองลงไปดูจู่ๆก็มีลมลอยสวนขึ้นมาประทะหน้าแกจนแกหงายท้องนั่งลงไปพร้อมกันนั้นพรานก็มีร่างของเสือล อ, อยข้ามแกไปข้างหน้า แกมองตามเสือไปจนมันหายไปในความมืดสิ่งรอบข้างกลับมาสงบนิ่งอีกครั้งเสือที่เห็นก็คือเสืออาคมของแกนั่นเองแกรีบลุกขึ้นแล้วก็กเดินต่อไปแกเดินจนมาถึงที่โลงที่หนึ่งซึ่งในสถานที่แห่งนี้นี่เองคือจุดกำเนิดของความมาถันปูสัมผัสได้ไม่ย่างเท้าก้าวเข้าไปในที่ตรงนี้มันเป็นลานหินกว้างแต่เมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่ามีจุดๆหนึ่งที่เป็นรูช่องอยู่กลางพื้นหิน และสามารถมองลอดลงไปเห็นพื้นดินที่อยู่เบื้องล่างได้ความกว้างของรูก็เท่ากับองค์ใบใหญ่ๆแกค่อยๆเดินตรงเข้าไปที่ช่องรูนั้นไม่ไปถึงก็เอาตะเกียงส่องมองลงไปและจาแสงไฟสว่างของตะเกียงก็ทําให้แกต้อตกใจเพราะจาแสงสลัวของตะเกียงทําให้แกได้เห็นว่าภายในรูนั้นมีเศษกระดูกและเสื้อผ้าเต็มไปหมดยังไม่ทันที่แกจะหายตะลึงก็มีเสีย ง, งดังขึ้นว่ามาสักทีนะกูรอมึงมาแต่นานแล้ว สิ่งเจะปอบเลือนนั่นเองท่ามกลางความมืดและแสงสลัวร่างของมันปรากฏขึ้นภายในหลุมที่เต็มไปด้วยกองกระดูกเบื้องล่างนั่นเองมีหมาดำตัวใหญ่และเสือยืนอยู่ข้างตัวมันมันยังพูดต่ออีกว่า <c oughs> กูรอวันคืนจะไก่ลุมนีมาเป็นร้อยปีต้องขอขอบคุณพระนางูกับไอบเบอือที่กูสิงรางมันอยู่ทำ <c oughs> มันทั้งสองไม่มีจิตที่มื กระแสจิตเพียงน้อยนิดของกูก็คงจะสื่อถึงพวกมันไม่ได้พระโลบที่อยากจะเป็นจอมอาคมคำว่าอยากมากจนต้องข่าอาจารย์และก็บัลลังจิตเขียดแค้นของไอ้สิทธนางูของเพื่อนเบิ้งอีกทําให้กูไปแฝงร่างมันได้อร่อยมากและก็เพิ่มบัลังให้กูได้อย่างมหาศาลทั้งคู่เลยกับอาจารย์ของมันไม่เกี่ยวกับหมาของหวานสองตัวนั่นนะ แล้วันนี้แหละกูจะได้เป็นลิสระถ้าได้กินมึงอีกคนเดียวกูก็จะหลุดพ้นจากการจองจําจากพยางิ้วดํากับเหรียญศักดิ์สิทธิ์นั่นพอปู่ได้ฟังก็นึกได้เรียบเอามือขวานลงไปในย่ามหมา ย, หยิบไม้งิ้วดํากับเหรียญศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแต่นึกได้ว่าลืมไปวางไว้ข้างล่างไม่ได้นําหยิบใส่ ย, ย่ามมาด้วยแล้วก็ไม่ทันแล้วเจ้าหมาดํากับเสือที่ยืนอยู่ข้างเจ้าผีปอบมันกระโดดขึ้นมาหมายจะตรงเข้ามากัด จังหวะนั้นปู่ตะลึงงนินมันทั้งสองพุ่งเข้ามาแต่เหมือนว่ามันจะชนเข้ากับอะไรบางอย่างเพงื่ไปซึ่งปู่เองก็มองไม่เห็นว่าชนกับอะไรและจู่ๆไอ้ปอบเล่ย ก, ก็พูดขึ้นมาว่าบอมันยังตามกูไม่อีกนะไอ้พระบอปู่เองก็งงเลยมันพูดกับใครวะแกรีบหลงมือลงไปย่ามอีกครั้งและหยิบอสเสืออาคมของแกออกมาบริกรรมท่องคาถาและโยนออไปทันเททันไดนั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงเสือและหมาต่อสู้กันไม่รู้แหละ ว, ว่าสู้กับตัวไหนกับตัวไหน เสียงต่อสู้คำรามที่ดังสนั่นก็ค่อยๆห่างออกไปในความมืดปู่พัตยามองตามก็ไม่เห็นอะไรและระหว่างนั้นเองที่ปู่กาลังเผลอไอเลิยก็มุ่งตรงก็มาถึงตัวแกแบบมองไม่ทันแบบไม่ทันตั้งตัวมันกําลังจะใช้มีดอาคมเงือที่จะฟันปู่ปู่ตกใจยกแขนขึ้นกันแต่ทว่ามันก็ไม่ฟันลงมาสักทีเงืองเหงาๆเหมือนกับว่ามีใครมากั้นมันไว้หรือว่าดึงแขนมันอยู่แล้วก็มีเสียงคำรามของเสือดังขึ้นเป็นเสียงคำรามเหมือนภาคภูมิใจเหมือนจะบอกว่าตนเองชนะแล้ว รู้ว่าเป็นเสียงเสืออาคมของแกแกรีบหยิบอ้อยประคําของแกคล้องคอยเลือดแล้วเมื่อแกหลงลงไปในยามอีกครั้งให้เป็นเที่น่าแปลกใจเมื่อบัดนี้ปรากฏว่าแกหลงลงไปจับได้พยาไม้งิ้วดํากับเหรียญที่มัดโดยชีวรไม่รู้ไม่อยู่ในยามได้ยังไงแต่ก็ไม่มีเวลาให้แกสงสัยอะไรแกรีบประทงหมดคล้องคอยเลือดทันทีเ <c oughs> สียงเจ้าผี ป, ปอบ เ, เลือดร้องทั้งจีวอนทั้งเหรียญในไม้พยามงิ้วดํากับสร้อยประคําไอเลือดโดนเต็ม มันดิ้นพล่านจนมีดหลุดหลอกจากมือในเวลาเดียวกันนั้นปรากฏแรงลมอันมหาศาลเกิดขึ้นเหมือนว่ากำลังมีแรงดึงดูดอันมหาศาลดึงร่างของมันไอ้ปอบเลิศไอ้ปอบร้ายพร้อมกับสร้อยประคำและของทั้งหมดที่คล้องคอมันอยู่ลมประหลาดนั้นดูดมันลงหลุมไปเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเงียบสงบลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายเหมือนว่าจะจบลงแล้วแต่แล้วไม่นาน ไอเล่ย ก, ก็กลับลุกขึ้นมาทํากลางกรองกระดูกอีกครั้งด้วยสภาพร่างกายที่เหมือนจะเน่าพร้อมกันนั้นมันก็ขย้อนบัญอย่าออกมาจากปากมันซึ่งมันก็เป็นนิ้ว1 น, นิ้วซึ่งสภาพยังสมบูรณ์ไม่ได้เน่าเมื่อมันขยอด น, นิ้วนั้นออกมาแล้วก็บิลขึ้นมาข้างบนลนักษณะเขานิ้วนั้นจู่ๆก็แปรเปลี่ยนไปเล็บของนิ้วก็กลายเป็นทองแดงที่มีสิ่งหนึ่งติด ข, ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือจีวรสีแดงแล้วไอปอบเลิย ก, ก็พูดขึ้นว่าเขาลูกนี่ กูตงหาวอยู่ที่เขาที่ชื่อว่าเหล็กไฟอีกแล้วเพียงแค่นั้นมันก็ง่ายหลังลงนอนนอสลายไปถ้ำกลางกองกระดูดแล้เรื่องราวจากบันทึกของปู่ก็จบลงส่วนหลุมนั้นปัจจุบันนี้เขาเรียกกันว่าหลุมบักเลิดซึ่งทุกวันนี้บันทึกนี้ยังถูกเก็บเป็นเรื่องราวประจำอำเภอที่บ้านผมครับและถ้าปู่ผมยังคงมีชีวิตก็คงจะมีอายุประมาณ125ปีครับครับผมแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงครับ ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกเรื่องราวที่ได้กรุณาแบ่งปันมาให้ถ่ายทอดโดยเรื่องนี้เป็นของบุรุษผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับซึ่งเรื่องแต่ละเรื่องที่ผมถ่ายทอดจะจริงหรือไม่จริงยังไงฟังเพื่อความบันเทิงครับได้กําไรและก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องราวของกันและกันครับที่แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องทุกเรื่องอยากให้ทุกท่านที่ได้รับฟังมีความสุขครับขอให้มีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์